เพราะให้ทุกขันตั้งจิตตังใจระดับตั้งจริงตังจร่งจะรู้จะเข้าใจเรื่องของธรรมะเมื่ออย่างนั้นธรรมะจะนำเข้าไปสัมผัสตั้จิตตั้ใจใจจะต้องเห็นอะไรเห็นอะไรร่อนไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆวันนี้แอนโทนี่ไปมาจาก บ, บ้านเกิดเมืองนอนต้องผันไปอยู่ต่างประเทศประเทศแคนาดาถึ่งพวกเราท่านทุกคนในเคนหุ่นปวดถึงใจก่ออยู่พลเมือโลกการที่ท่านมาถู่ประเทศไทยเราความมุ่งหลังทางใจให้เดมาใดความอดอยากขาดแคลนอะไรก็ได้มาท่าขายหากำไร งด้านวัตถุท่านตั้งหน้าตั้งตามาแบบฝึกอบรมจิตใจเพราะด้านวัตถุเข่าของเงินทองทุกสิงทุกอย่างท่านมีสมบูรณ์พูนสุขอยู่แล้วแต่เท่าว่าเรื่องจิตใจที่เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ไรศารคือพระพุาา้ธเจ้าทรงแนะนำคำสอน ทำสุกด้านวัตถุโดยเท่าของเงินทองต่างๆจะทำจิตทำใจของท่านให้สุขให้พอใจติดในส่วนวัตถุเหล่านั้นท่านไม่ติดอุตสาหเสียกระดับสมบัติพัฒฐานบานช่องตลอดเท่าของเงินทองต่างๆออกมาบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนามุ่งหน้ามุ่งตา ปฏิบัติอยากจะให้ค้นไปจากทุกในวัฏฏ์สงสารนี่เป็นความตองการอยู่เามาืออยู่เมืองไทยเพราะประเทศไทยเราเป็นอีกสถานหนึ่งเพราะธรรมะเป็นตัดกต่างเป็นของเฉพาะตัวไม่เสรี่ยเยียจารย์กันได้ในทางด้านจิต ด, ด้านใจเรียนไว้แต่จะแนะนำสัมสอนกันในวิธีสพติบัติเท่านั้นเหตุนั้นท่านผู้ดีเดินเป็นธรรม ภายในจิตในใจของท่านซึ่งมีเมตตาตรุณนอยากจะให้ิตยาโนจิตหรืออุบาสกอุบาสิตาละเนนบิตดีกันทางนั้นแต่เฉียวยิ่อาจารย์ให้ในไดน้นอกจากการแนะน ำ, ำสอนในปฏิทิอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้และความเป็นความมีในจิตในใจเป็นของเกิดเฉพาะผู้ปฏิทิปฏิบัติมไมด้เฉียวอาจารจาก ท่านผู้อี่เดือนนั้นท่านมาวัดนี้ท่านก่อนมุ่งหน้ามุ่งตาอยากจะมาศึกษาหรืออยากจะมาประพฏิบัติท่านจริงอยู่ที่มาถึงจะทุกข์ยากลำบากทางกันดารแสนกันดารอาหารซึ่งอยู่ประเทศของท่านและเคยรับเคยพบทานอย่างอาหารบานหนอกบานตาแต่เทราว่าใจมีตัณหา ใจมีความเชื่อใจมีความเหลื่มสอุตสาหพยายามบังคับจิตมานะผมจิดขมใจฉันและพักอยู่ตามป่าตามเขามีงความมุ่งมั่นในจิตในใจของฉานมุ่งหน้ามุ่งตาอยากจะประเฏิบัติอยากจะแสวงหาคุณธรรมอันดีเด่นเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราถึงเป็นเจ้าของสิ่น จึงควรอนุโมทนากับท่านในการสละสมบัติแทบฐานในการ ม, มีตัชฌาอยากจะมาเป็นพักพวกเขื่อนถุงของพวกเราแล้วการประเพื่อปฏิบัติทางจิตทางใจนั้นไม่ว่าอยู่แทฐานที่ใดหากเราตั้งจิตตั้งใจศึกษาตั้งจิตตั้งใจภาวนาตั้งจิตตั้งใจดูทำปรงแต่งของจิต อย่ไม่คิดวนุนไปสู่อารมณ์ต่างๆมีสติจดจ้องต่อบทธรรมสึ่งเราบริกรรมหรือบทธรรมที่เราคิดว่าจะทำจิตทำใจของเราให้สงบเยกเย็นได้เราตั้งสติจดจ่อจริงจังเรื่องจิตใจของทุกท่านจะต้องแต่รับทวามสงบทวามสุข ที่เกิดขึ้นจากความสงบเป็นความสุขที่หาดูยากที่ไม่มีขายในสถานที่ใดๆความสุขเกิดจากความสงบเท่านั้นเป็นความสุขที่ดีเด่นที่พระพุทธเจ้าเห็นและอริยเจ้ า, าสรรเสริญส่วนความทุกข์โดยส่วนใหญ่ก็ทุกข์ขึ้นจากใจที่ลุงแต่งนึกคิดไม่ได้ทุกมาจากวิมฟ้าอากาศสถานที่ใดเมื่อเรารจุด ว่าสุขกอดีทุกข์กอดีเกิดมีขึ้นจากจิตจากใจดวงนี้เราจรึงต้องเกิดปฏิบัติทำค ำ, คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใดที่มันปรุงใจของเราให้เมตชิ ด, ดไปในทางผิดทําจิตทําใจของเราให้เดือดร้อนเราพยายามปล่อยพยายามวางพยายามละพยายามถอนในสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นบังบคับจิตของตนมาแห่ใจคิด ในใจนึกในส่วนนั้นส่วนใดที่ท่ำจิตของพวกเราท่านในแต่งบให้เยือกเย็นให้เกิดทามสุขอันดีเด่นเราพยายามรักษาส่วนที่มันมีในใจในวาจาในใจของเราส่วนใดที่ยังไม่มียังไม่เกิดเราก็อบรมบ่มอิ่งตีคือทำจิตทําใจของเราให้เกิดให้มีส่วนนั้นขึ้นนี่คือการภาวนานักภาวนาชาหา การยับยั้งตั้งตัวขาดการมีสติระวังตัวขาดปัญญาตามนึกคิดติดตามเรื <c oughs> อ่องการจะละจะบำเพ็ญส่วนชั่วบำเพ็ญส่วนดีแล้วความดียิเศษจะไม่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้นั้นหา บ, บุคคลผู้ใดระวังใจไม่ไปคิดในอารมณ์ทั่วและทําตัวหเป็นผู้ที่ตั้งมัน่นใน คุณนัตธรรมจะเป็นบทใดก็าตามที่เราบริดรตมหรือเราทิดไม่ะะติจารณนาหมายถว่าทำส่วนนั้นจะยังจิตยังใจของพวกเราท่านในใจสู่ความสงบสุขเราหมั่นรักษาหมันานาม่นภาวนาหมัน่นชำระหมั่นซักฟอกจิตใจอยู่เสมอจิตใจของพวกเราท่านก็จะนัาวันส <c oughs> งบสุขเข้าไปทุกที การส ง, งบจิตหากไม่มีวิธีหากไม่มีอุบายปฏิบัติรักษาแล้วจิตใจของพวกเราท่านก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะดีขึ้นเองเหมือนกันต่ว่าการศึกษาภายนอกถึงจะเข้าแก่สักเท่าไรก็าตามหากไม่ศึกษาการอ่านการเขียนการาำลับตาลาก็ไม่มีวันที่จะอ่านได้และเขียนออกอ่านออกเขียนได้ ชั้นใดจิตใจของพวกเราท่านก็เหมือนกันต้องฝึกต้องอบรมด้วยจิตปัญญามันคิดพ้นคิดนิพิจารณาเหตุผลสอนจิตสอนใจของนตนสม่ำเสมอจิตใจติดใจเดือดดึงก็จะเป็นจิตใจที่เสี่ยงผิดบายไปคอยร้ายเหนื่อ ย, าา ย, อยรย้อนไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเมื่อจิตของเราได้รับความสว่างสวัยจิตของเรา ลงรวมไปเราจะได้รับความสุขอันทึงพอใจของเราพระพุทธเจ้าทึงแม่สอนทุกท่านทุกคนทึ่งมีจิตมีใจอยู่ยังไม่ร่วมหายตายไปถ้าหากอุตสาห์พยายามทําจิตทําใจฟ้องตนฝึกฝนตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แม่สอนทุกคนไปจะเห็นเรื่องธรรมเป็นของอจจจัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งใดในโลก เพราะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ดีเด่นเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ยังผู้สดับรับฟังยางผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้รับผลปัจจุบันทันตาเมื่อได้รับผลของธรรมเห็นผลของธรรมจากการประพฤติปฏิบัติตัดขาความเชื่อจะมั่นฟังจิตฟังใจอยากได้อยากถึงอยากเห็นอยากเป็นเครื่องจิตสงบระงับ ดับความภูงแต่งต่างๆเราก็ได้รับความสุขความสบายขนาดนี้หากเราต้นใจจากหมือตันหาสงบทุกวันทุกเวลาไม่มีการผิดข้องในสัญญาอารมณ์ต่างๆเราจะมีความสุขความสบายขนาดไหนพอเชียบได้พอละลึกได้เหตดนั้นจัดคาของผู้ประพฤติปฏิบัติทำถ้าหากไป ร, รู้ไปเห็นไปเป็นขึ้นจากการสงบสงบัด ไปเพิ่ขึ้นจากการปฏิบัติของจิตของใจรวมรวมได้ผู้นั้นจึงเชื่อมั่นในคำคำําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนเปิดอาจฉริยะัตวาคือจัตวาที่แน่วแน่จัตวาที่มั่นคงถ้ <c oughs> าหากไม่เกิดไม่เป็นไม่เห็นในการปฏิบัติทวามเชื่อแน่ในจิตในใจก็จะเชื่อผิวเผินพอถูกสัญญาอารมณ์ มาเยือยุนิดหน่อยก็จะหลงไปตามหรือเลื่อนลอยไปตามเกิดนั้นตามกับฤทธิปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจึงแนะนํำปรามสอนให้พวกเราฝึกจิตอบรมใจให้เป็นสมาธิดูควาหนักแน่นความงรวมของจิตของใจหาผู้ใดฝึกผู้ใดศึกษาผู้ใดปฏิบัติตามคำแนะนําปรามสอนของพระพุทธเจ้าได้ผู้นั้นก็จะเห็น ผูนั้นก็จะเป็นผู้นั้นก็จะรู้เรื่องของธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของดีเด่นประโยินที่เศษขนาดไหนเพียใดพระพุทธเจ้าและเหล่าอริยสาวกทั่วไปจึงทรงแต่ละเสริว่าธรรมเป็นยอดของความสุขความสุขที่จะเกิดจะเป็นจะเห็นขึ้นเพระการปฏิบัติหากไปปฏิบัติจะอยู่ไปเท่าไหร่ จะให้กายให้ใจมันเข้าถึงธรรมมันเป็นธรรมขึ้นมันเป็นไม่ได้เหมือนกันกับอาหารเราแม่รับไปทานจะให้อิ่มน้ํำสารานทางร่างกายของเราก็ย่อมอิ่มน้ําสาลันในดาส่องอาศัยการรับไปทานจึงจะอิ่มขึ้นได้ส่วนการปฏิบัติทางจิตทางใจก็เหมือนกันหาพวกเราท่านเมืออเฉยเห็นว่าเรื่องธรรมะของมุกุลใจจ่าเรื่องการปฏิบัติ เวลานี้ยังไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราเรายังไม่เท่าไม่แช่เรายังไม่ร่มไม่ตาควรจะร่มจะตายเมื่อใดเราเท่าเราแช่หร้อโรกภายไข้เจ็บหรือควรจะร่มจะตายจึงจะตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติเวล า, าฤฤฤฤฤฤนี้หายอยู่หาจินหรือเปิดเทินไปตามสัญญาอารมณอื่นเสียความเมกคิดของบุคคลชนิดนี้ตามทางธรรมะ พระพุทธศาสนาหรือว่าเป็นผู้ประมาทเพราะวันเวลาหรือชีวิตชีวาของพวกเราทั้งหลายไม่มีเครื่องหมายนายแปลกันในรู้ว่าวันใดเวลาใดจะล่มหายตายไปเศรษนั้นการททต่อเพิธรรมจริงสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราทุกท่านแต่ต่อเพื่อปฏิบัติเกิแข่งเวลาหาสาระของจิตของใจหาผู้ใดประเพื่อปฏิบัติได้ผู้ใดประเพฤ่อปฏิบัติเป็นเห็นขึ้นในเรื่องของธรรม เป็นพู้ที่มีชีวิตเกิดมาในไร่ข้มีสาระผู้ดใดไม่มีธรรมในจิตในใจผู้ดใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นเกิดมาแต่สบค พ, พระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นโมคะไม่ได้สาละประปโยชน์อะไรจากชีวิตจิตใจของตนจากธรรมธรรสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเราเข้าใจว่าธรรมะ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของมีคุณค่าเป็นของเปิดเผยลอยลอยอย่างนั้นจงพากันต่างหน้าต่างตาประฏิบัติอย่าไปตัดวันประกันพุ่งว่าตอนนั้นก่อนตอนนี้ก่อนเพราะชีวิตไม่แน่นอนเมือ่อหลมหายตายไปแต่เยืเ้อ ท, ที่เกิดมาเป็นมนุษย์จึงพยวยาน ส่วนสอนจิตใจขคงตนอยู่ทุกวันทุกเวลาในต่างหน้าต่างตาะพฤติแต่คุณงามทามดีความชั่วทั่วไปละไปถอนไปเพราะความชั่วเป็นตัวเหตุจิตลงทุกข์จิตทุกข์สิ้นเสีเจิตแสีใจของเราเราไม่มีความชั่วทานเราได้ให้ศีลเราได้รักษาภาวนาเราได้กระทําบําเพ็ญถึงยังไม่เป็นยังไม่เห็น อานิสง์ในจิตในใจกว่าไม่วันใดกว่าวันหนึ่งทางหน้าอานิสง์จะเกิดขุดขึ้นจากจิตจากใจที่เราได้กระทําบําเพ็ญเหมือนกันกับเราปลูกผลไม้เอาไว้เราจะบังคับให้มันโตดอกออกผลในปัจจุบันทันตาย่อมไม่ได้ต่อเมื่อต้นมันแฉเราบารุงลาต้นมันดีมันก็จะจีดอกออกผลให้เราเพราะแฉอย่ากให้ต้นมันตายและให้ต้นมัน เตบโตงอกงามนีอาหารกินอยู่ทุกวันทุกเวลาส่วนไม้ก็นับวันจ ะ, จะเจริญเติบโตและสืบดอกออกผลให้เราได้ส่วนการจะทําทางกายทางวาจาทางใจเมื่อเราทําทุกวันไปในด้านดีความดีเหล่านั้นก็จะสิบดอกออกผลให้เราที่ได้รับความสุขใจและลึกนึกถึงความสั่วที่ตัวไปทำไํำหนีที่ตัวไปพูดหนีที่ตัวไปคิดหนี เราจะมีจิตชุ่มชื่นเบิกบานยินดีในชีวิตชีวาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์หากไม่มีอะไรในฝ่ายดีมีแต่คําชั่วได้ก็ไปทำบาปทมต่างๆทางด้านทุกขริลรวาจาต่อไปพูดจิตต่อกกไปคิดในทางชั่วเราจะได้รับความเดือดร้อนมัวหมองระลึลกนึกขึ้นการใดเวลาใดความชั่วที่เราพูดไปหรือทำไปคิดไป จะแผดเผาตัวของเราเหมือนกันกับคนอยู่ในกองไฟไม่มีวันมีเวลาจะเย็นสายเย็นใจได้ฉันใดทานขั่วทั่วไปพระพุทธเจ้าหรือนะักบ่านบดท่านจึงสอนพวกเราที่มีหูหนวกตาบอดไ่เว้นไ่ละอย่าไปแตะต้องอย่าไปแตะทํานี่พวกเราทุกท่านที่ได้อุตส่าห์พยายามสร้างคุณงามความดี มาบวชเป็นพระเป็นชีหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรูดวันใดรับทำศึกษาจากครูบาอาจารย์หรือจากตำหลับตำลามาทางนั้นเมื่อพวกเราทุกท่านแบกบหันหน้าเข้าสู่คุณงามความดีแลอย่างนี้ก็ชจงพ ย, ยายามรักษาความดีท่องตัวไว้เหมือนเรือรักษาความเช้มเมือจะไปตงสถานที่ใดความเขมของมันในเลลดละจะไปตกสถานที่ใดความเขม ต้องเือจะคงชื่ดีงามอยู่อย่างนั้นแตนใดพวกเราจงพยายามรักษาความดีที่เราได้จะทามาทางกายทางวาจาทางใจยาให้เสียไปอยู่ในสถานที่ใดพยายามรักษาคุณงามความดีอยู่อย่างนั้นเมื่อเราทุกท่านรักษาคุณงามความดีเอาไว้ได้ในจิต ใ, ในใจอย่างนั้นความดีส่วนนี้แหละจะเป็น <c oughs> ผลเป็นกาไรในชีวิต เราเกิดขึ้นมาหาควานดีอะไรไม่มีติดตัวเราก็จะตายเป็นคนชั่วเกิดมาไม่มีคุณค่าสาระประโยชน์เหตุนั้นควานดีสี่โอกาสจะทําบําเพ็ญได้ก่อต่อเมื่อเรามีชีวิตเป็นอยู่และไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทุกวันนี้พวกเราทุกคนก็มีโรคภัยเบียดเบียนเรืเ่องของกายอยู่ตาําเสมอ ไม่เป็นโรคอันหนึ่งก่ออันหนึ่งทุกท่านทุกคนไปเหตุ น, นั้นซึ่งไม่ควรตายใจหรือไม่ควรนอนใจในการก่อร่างสร้างคุณงามความดีในตายมันแตกมันตายไปหรือเปล่าเมื่อตายมันแตกมันตายไปส่วนจิตใจที่เราได้กระทําบําเพ็ญคุณงามความดีเราจะมีความเติมเติในการแตกตา ย, ท, ายทําลายขันของเราเพราะ จาทางหน้าพบทางหน้าเรามีหวังจะได้คุณงามความดีทวีคูณขึ้นจากคุณที่เราได้ขอหลางสั่งเอาในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่หรือผู้ประกอบปฏิบัติจนจิตใจสงบสงดจนจิตใจละถอนเลี่ยงอ <c oughs> ดิชาติหาอุปาทานไดน้ผู้นั้นก็จะสจะบายอย่างยิ่งเพราะพบชาติต่อไปของท่าน ขาดปะเด็นออกจากจิตจากใจของท่านแล้วท่านรู้ท่านเข้าใจประจักษ์ชัดเจนในตัวของท่านนั้นเป็นยอดที่พระผพุทธเจ้าปราถนาที่แนะนําคําสอนแต่แท้ตัดรอยาจะให้ตัดทั่วไปหมดคามคล้องหมดความจิตในที่เหลยอกันหามาณกิกิต่างๆท่านจึงแนะนําคําสอนเพราะท่านประสบพบเห็นมาแล้วว่าจิตใจชนิด น, นี้เป็นจิตใจที่ ดีจิตใจที่ใส่เสดจิตใจที่วิเศษไม่มีในสถานที่ใดที่ใครจะซื้อจะถขายกันมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็หาซื้อดูหรือฮะ <c oughs> เอามาประดับใจของตนไม่ได้นอกจากการตั้งหน้าตั้งตาภาวานาคือการฝึกอบรมใจอดทนต่อความทั่วไม่ไป แต่ต้องไม่ใจแต่ทำชำระสะสรความชั่วทุกวันทุกเวลาส่วนความดีพยายามปลอบปพยให้เกิดให้มีในจิตในใจสม่ำเสมอไปการภาวนาจึงเป็นของที่จะนำความสุขคือความสงบของจิตมาให้พระพุทธเจ้ามุ่งหวังตั้งใจแนะนำพวก พิสุสามะเ น, นรุบาอุบาติตาอย่างนั้นพวกเราท่านที่ได้สมมุติคือว่าพิสุสามมาเนรเฉลี่ยกว่าดีอุบาอุบาติตากวดีผู้มุงหน้ามุงตามาประเพื่อปฏิบัติทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพึงละเ ล, เลิกเลิกอยู่ําเสมอว่าเราเกิดมาในเกียรติที่เป็นมนุษย์พวอพระพุทธาศาสนาอุตสาห์ได้แต่ทาคุณงามความดีตามกําลังความสามารถของเรา แต่เรายังไม่ถึงสุดสุิ่มุดนิพพานเมื่อใดเราจะตั้งหน้าทำความดีไปจนแต่ทั้งจิตใจอย่างรู้จิตใจละถอนอย่างขี้เหน็ดดันหาถึงนิพพานเมื่อใดแต่จากในใจของเราเราจึงจะมีความเบาสบายในกา ร, ราต่อเพื่อปฏิบัติของเราในเมื่อเรายังไม่ถึงเมื่อใดก็ อ, อุตส่าห์พยายามเดินไปพยายามทําไป นจนกระทั่งถึงที่สุด ย, ยิ่มุิเมื่อใดความรู้ความเข้าใจจะเปิดเผยให้ตัวของเราผูปผับเพืปฏิบัติไปจากนานาใน จ, จิตในใจเป็นตันติโกหรือเป็นปัจจังเพราะทำทุกหมดทุกบาททุกด้านไม่ว่าถ้งไปใดๆไม่ว่าส่วนตามส่วนฟางหรือส่วนสูงสุด จะไปจากในใจิตในใจของเราเรามีกิเหลสตัณหาก็เป็นสันทิฏฐิโก ร, รู้ว่าเราเป็นผู้มีกิเลสตัณหาอยู่สันทิฏฐิโกจะเป็นลำดับลำดาไปผู้จิตจิต ท, ท่องในอะไรก็เป็นสันทิฏฐิโกในตัวของผู้นั้นรู้ไปจับไม่มีบุคคลผู้ใดในโลกจะรู้จะเข้าใจตัวของตัวดีกว่าตัวของเราเองเหตุนั้นการต่อไปจะปฏิ บ, บัติทำขอทุกท่านจงพากัน ตัางหน้าต่างตา้ากันแต่ทำบำทําเพ็ญอย่าไปอ้างการอ้างเวลาอย่าไปอ้างสถานที่การทำํำคุณงานความดีเป็นหน้าที่ของเราไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะมาแต่ทําบําเพ็ญให้าหากเราไม่แต่ทําบําเพ็ญแล้วเราก็จะเป็นคนเจ๊คนเจ๊คนเสีย ค, ค, คนติดคนคล่องอยู่ในโลกตลอดไปหากเราแก้ไข ปะพฤติคุณงานความดีเรื่อยไปหิุดใจที่เคยแก่ใจกัะวนกะวายผิดห่องในสัญญาอารมณ์ในจิเลตัญหาต่างๆจะนับวันเบาบางหรือสลัดปัดทิ้งไปจนถึงที่สุดเมื่อใดใจของเรา่อยจักเป็นเป็นสันชิติโกรหรือเป็นปัด จ, จตัตังอีกนี่ายประพฤติปฏิบัติต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติไปอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าเราพอแล้วการประพฤติปฏิบัติของเราขนาดนี้ ถ้าหาเราไม่ดีเราไม่ดีเศษเราไม่ <c oughs> เป็นผู้ดีเด่นก็เข้าขมาวัดมาวาในได้คนอย่างเราถ้าหากยังจะไปตกทุกได้อยากลำบากอยู่คนทื่ไม่ได้ต่างนั้นทำบุญอะไรอยู่ในโลกในสงสารประทุษขั่วเหตุการณ์รานต่างๆมีมากมายตายกองแต่เราหลดตัวมาอย่างนี้นับแต่เราดีเราไปเสดดิเศษ ถ้าหากเราใจจิตเอ า, วาความดีของเราเพียงพอแค่นี้แต่จิตใจของเราที่มีโลภมีโกรธมีหลงมีอิชฉาตัญหาอุปาทานยังทํานายทายตัวไม่ได้ว่าเราจะเกิดจะตายอีกกี่ชาติกี่ภพว่าเราออกจากภพนี้ชาติานี้จะไปเกิดเป็นอะไรเรายังไม่แน่ใจเพราะเรื่องการพิจาโณหรือปัจรจัตตังยังไม่ เกิไม่มีเป็นที่เป็นฐานในตัวของเราว่าเราละเราถอนได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ควรนอนใจไม่ควรตายใจหรือไม่ควรประมาทเพราะการประมาทเป็นทางแห่งความตายการประเพื่อปฏิบัติหากเราสอบสืบเราพินิจพิจารณนาะตัวของเราท่านอยู่ทุกวันทุกเวลาสิ <c oughs> ่งที่เชื่อชาลามก เป่าเพื่อช่เหลือปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับจิตกับใจเป็นของอยากเพราะใจมีหน้านะที่นึกคิดอย่างเดียวหากไปนึกคิดทางชั่วทาําดีที่มีอยู่ในตัวกอขอตกไฟหมดไฟหากเรานึกคิดทางดีทางชั่วก็ไม่มีโอกาสขึ้นมาคลองใจของเราได้ขันจิงเสียรอย่างจิตใจเหมือนเก้าอี้ที่นั่งคนเดียวหากคนหนึ่งไปนั่ง คนที่สองก็ต้องรอยืนอยู่คอยอยู่หากคนนั้นลงไปคนนี้ขึ้นไปนั่งคนที่นั่งอยู่ก่อนก็ไม่มีโอกาสเวลาจะนั่งได้เพราะเก้าอี้เฉพาะที่นั่งของคนเดียวฉันใดจิตใจของพวกเราท่านถ้าหากไปคิดทั่วทางดีก็ไม่มีโอกาสเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราได้ถ้าหากไปคิดในทางที่ดีชาบชั่วก็ตกออกไปขึ้น ของหัวใจไได้จิตมันทําหน้าที่อันเดียวอย่างนี้เหตุนั้นเมื่อเราทราบว่าจิตของเราไปทําชั่วไปคิดชั่วเราก็จงพยายามขับไล่จิตใจส่วนนั้นออกไปด้วยปัญญาของเราเองว่าคํามชั่วส่วนนี้เมื่อเราคิดไปมากรุนแรงขึ้นมันจะออกมาทางวาจาพูดออกไปเมื่อเต็มไปทางวาจาทางจิต จะไปทําผิดเดือดรายไปอีกเลยเกิดเป็นความทั่วทั้งสามภวานความทั่วทางกายทางวาจาทางใจตัวของเราของเราในมีประโยชน์สาระอะไรเพราะทั่วทั้งหมดแล้วเกียด ก, ก็เป็นของไม่ดีกับที่ก็ไม่ดีแล้วก็แกนก็ไม่ดีจะไปทําอะไรไม่ได้ทางนั้นเพราะมาตัว น, นั้นมาเป็นสาระประโยชน์เรียกก็เป็นผิด ก็เป็นคิดแกนก็เป็นคิดจิตใจของเราเลิกคิดในทางดีเมื่อทวามดีมีเพียงพอในจิตในใจผลที่สุดก็ลุ่วไหลออกมาทางปากปากก็เป็นปากดีพูดเช่นมีศีลมีธรรมพูดเช่นมีผู้เชื่อฟังพูดเช่นมีท้าวไปโยดไม่โง่หูเขากายของเราก็ประพฤติดีแต่ทาดีไปตามจิต ผู้บังคับบัญชาเหตุนั้นคนเราจะมองรู้ได้ถึงจะไม่มีลายอย่างเสือก่อตามมองดูได้จากการทําการพูดของเขาข้อจิตของบุคคลผู้ใดปรุงไปในส่วนใดมากก็เอามาอยากจะออกปากพูดขึ้นในเรื่องที่เขาเคยคิดเคยปรุงใจของเขาก็อยากจะไปทําอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของลายของคน มองเห ง, ง่ายๆ่ายถาหาคนผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาสร้างคุณงามความดีออกปกากกล้ามอยากจากปากไปในทางหยุดทางดีตายของเขาก็้ามอยากไปทําแบบนั้นในทางที่ดีอย่างนั้นจึงพอมองเห็น ง, ง่ายๆเรื่องของมนุษย์เรามักเป็นแบบนั้นโดยส่วนใหญ่เราทุกวันนี้เป็นอย่างไร ความดีความชั่วแล้วได้มาสั่งตวงดูไหมอะไรมันมากอะไรมันน้อยกว่ากันหากอะไรมันมากอันนั้นแหละจะเป็นเรื่องที่เราได้รับก่อนหากเราล่มหายตายไปความดีมากความดีก็จะซักคาให้ปวกเราได้เกิดในสถานคี่ดีหากความชั่วมากเราความชั่วกวจ็จะสุดลากตัวของพวกเราลงไปในทางต่ำทางเสียหากเรา พยายามตรวจจิต ด, ดูใจของเรามันแนสอนอยู่อย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านก่อนนับวันนับเวลาที่จะหายหน้าหายตาไปจากความชั่วตัดริบตัวให้ดีเด่นขึ้นไปเป็นลําดับเหต่นั้นเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ระดับรับฟังทาคําสั่งสอนอย่างทีท่อธิบายมานี้จงนําไปทีนิดที่จะเล่นาดูหากําสอน สอนไปนี้เป็นทางที่ดีที่ชอบก็จงพากันต่างหน้าต่างตาตเผื่อปฏิบัติตามและในอวส า, านการอธิบายธรรมนี้ขอคุณพระศีรัตนใจรจงคุ้มครองวทวกขันทั้งหลายให้มีความสุขสบายสิใจหลาถนะจริงใบขอสิ่งนั้นสงกำเร็จ 3, 3, าาารตามความมุ่งมากหลาถนะทุกประการเธอดวัน